เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่การฝึกถ้าใครฝึกแล้วเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์ที่เรารุนแรงพวกนี้ถึงจะลดลงไปเพราะไม่มีฝึกอันนี้ไม่มีการฝึกอันนี้เป็นเรื่องที่ใครฝึกฝนใครฝึกฝนคนนั้นได้ใครไม่ฝึกคนนั้นไม่ได้ต่อให้มีความรู้ว่าเออถ้าเจอคนอย่างงี้คนพูดอย่างงี้แล้วเราจะสวดมนต์เราจะท่องนโมเราจะพยายามไม่โกรธ ต้อให้คุณรู้วิธีด้วยแต่พอคุณเจอปับ๊บวิธีการพวกนี้ใช้แล้วไม่ได้เลยเพราะถ้าตาบใดคุณไม่ฝึกจิตคุณมาเนี่ยคุณห้ามใจไม่อยู่วันถึงบอกว่านอกเวลาอื่นเนี่ยที่มันยังไม่ใชยมาเจอภัสสะคุณต้องฝึกไว้ก่อนถ้าฝึกไว้ก่อนแล้วไอวิธีพวกเนี้ยพอคุณเอามาใช้คุณถึงจะใช้ได้ผลถ้าใครไม่ฝึกไว้แล้วคิดว่าแหมใครๆก็รู้บางที มาบอกทีนึงก็บอกทีเดียวก็รู้ทั้งหมดแหละแต่เห็นไหมว่าบางคนเนี่ยยังโกรธอยู่แต่บางคนเออดีขึ้นแก้ได้ดีขึ้ น, นเพรา ะ, ะนั่นอันเนี้ยอยู่ที่การฝึกของแต่ละคนนะเอาเสนี้การฆ่าการมุ่งร้ายทำลายการอาฆาตพยาบาทการเกลียดชังการโกรธแค้นใครๆก็รู้ว่าเป็นของเลวเ ป, เ, เป็นของน่ารังเกียจเป็นของเน่าเหม็น เป็นขยะสมหัวใจซึ่งสมควรจะต้องถูกกำจัดชำระร้างด้วยความสะอาดเพื่อให้ดวงใจเข้าสู่สภาพใสสะอาดสงบสันติอันจะไม่เบียดเบียนทำร้ายใครเพราะธาตุแท้ของทุกๆคนก็ย่อมมุ่งหวังให้หัวใจของตนเข้าถึงความสุขร่มเย็นเป็นแน่เมื่อใดใจใฝ่ความสุขสงบจริงเมื่อนั้น ก, ก็จะนิยมความสุนทรีแม้ต้องพบกับอุปสรรคที่ไม่ถูกตาต้องใจมาขัดขวางก็จะเกิดความอดทนอดกลั้นรู้จักใจเย็นขึ้นได้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแก้ปัญหากันไปหรือถึงจะแก้ปัญหานั้นยังไม่ได้ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงจิตใจของตนเองป้องกันตนเองเอาไว้ ด้วยหลักคุณธรรมความดีมีน้ำใจไม่นิยมความรุนแรง <c oughs> นาลกี้อาตมา ก, ก็บอกไปแล้วว่าเรื่องพวกนี้ต้องฝึกจริงๆภาษาพูดเนี่ยใครๆก็พูดได้ฟังใครๆก็ฟังออกจำใครๆก็สามารถจะจำได้แต่จริงไหล่ะขอ้อนี้อยู่ที่ตัวนี้ถ้าจริง นะพอถึงเวลาผัสสะเกิดขึ้นมาคุณคุณลดโทสะคุณลดความโกรธเกลียดได้คุณลดความรุนแรงได้มันจะมีสติเนี่ยมาเตือนคุณเลยมันจะมาห้ามกันมันมันจะฉุดกระชากอยู่ในใจคุณเลยอยา่ยาอยา่าอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปรุนแรงอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปด่าเขาแม้แต่ค้อนเขาก็ไม่ต้อง <c oughs> นะันมันจะเตือนเลยมันจะบอกแล้วมันก็จะ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมทำาเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครฝึกมาแล้วจะจะรู้สภาวะจิตเองว่าเป็นยังไงเพราะการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาด้วยความดีมีเมตตานั้นต้องอาศัยน้ำใจเสียสละกล้าเสียเปรียบยอมลำบากที่จะเพียนแก้ไขตัวเองก่อนซึ่งโดยแท้จริงแล้วการแก้ไขตัวเองก่อน ก็ยังนับว่าลำบากน้อยกว่าและง่ายกว่าการแก้ไขที่คนอื่นแยะเลยนะอันนี้ใครๆก็รู้ถูกไหมเออใครไม่รู้บ้างว่าแก้ไขตัวเองเนี่ยง่ายกว่าที่จะไปแก้ไขคนอื่นใครไม่รู้บ้างหรือใครคิดเห็นตรงข้ามว่าแก้ไขคนอื่นเนี่ยง่ายกว่าแก้ไขตัวเราเองนี่ยากกว่าใครเห็นเป็นตรงข้ามบางังมีไหม ที่จริงมีนะเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่แก้ไขคนอื่นได้ง่ายกว่ากรณีไหนถึงแก้ไขคนอื่นง่ายกว่าฮะเอาละทดสอบทดสอบไหวพริบ ป, ปฏิพันธ์และปัญญาครั้งที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ครั้งที่สอง <c oughs> <c oughs> ออแล้วนั้นอันนั้นคือแก้คนอื่นมันเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวแก้คนอื่น ง่ายกว่าฟังฟังฟังประเด็นให้ดีเรากําลังพูดอยู่ว่าคนอื่นกับเราเนี่ยแก้ไครง่ายกว่ากั น, น อ, อ่าแต่นี้กําลังจะพูดกลับไงว่าเอามีเหมือนกันในเหตุที่แก้คนอื่นได้ง่ายกว่าที่แก้ตัวเราเองเอ่ไม่ใช่ไม่ ยิ่งบังคับสิยิ่งหนักพอยิ่งมีปัญหาอย่าบังคับก็ได้เอา้าเดี๋ยวมันจะเลยเวลามันมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่คนอื่นนะไอคำว่าคนอื่นนั่นนะ่ะเขาดีกว่าเราคือเราเนี่ยมันเร็วกว่าเขาที่จริงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นกาแก้ที่คนอื่นง่ายกว่าใช่เพราะคนอื่นเขาดีกว่าเราเพราะฉะนั้นพอบางที พูดอะไรไปหรืออะไรไปคนอื่นเข า, เ, าเขาปรับเขาเปลี่ยนเขาเขาแก้ได้ก่อนแล้วไอเรายังมาล่มทึมอยูอย่อย่างเดิมเลยเราคนที่แย่กว่านี้นะจะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าอ่าเพราะกิเลนน้ากว่าเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าแต่โดยความเป็นจริงแล้วที่เรามักจะพูดว่าแก้ที่เรายากกว่าเพราะอะไรแก้ที่เรายากกว่าเนะแก้ที่เรายากกว่า แน่นอนอยู่แล้วกิเลสยังเยอะอยู่ก็ใช่ถึงถึงเราถึงบอกว่าแก้คนอื่นเนี่ยไม่ยากเท่ากับแก้ตัวเราเองอ่าเพราะเหตุผลกิเลสมากเหรอเพราะเรากิเลสมากเหรอเพราะเราไม่ยอมสู้อ่าอะไรนะเพราะไม่พร้อมที่จะแก้เพราะอะไรนะ มันเป็นไปได้เลยเห็นคนอื่นชัดกว่าตัวเราเองอะ่ะแสดงว่าคนนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเองเลยนะมันไม่มีใครหรอกจะเห็นหรือว่ารู้จักตัวเราดี้ะดีเท่ากับตัวเราเองเนี่ยไม่มีทางหรอกเอาเลยใครก็ได้เอาใครที่อ่านใจใครได้เอาเลยออมาเลยจะรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เราเนี่ยแหละรู้จักตัวเราดีที่สุดแต่ความสาคัญมันอยู่ตรงที่เรียกว่า ยอมแก้หรือไม่ยอมแก้อยอมแก้หรือไม่ยอมแก้เท่านั้นเองเพราะส่วนใหญ่เราอยากให้คนอื่นแก้ไขมากกว่าเราเองเนี่ยเราไม่อยากจะแก้ไขเพราะว่ามันลำบากมันต้องฝืนใจมันต้องเหนื่อยใช่ไหมแล้วบางทีเราก็นต้องอดต้องอดเออต้องยอมต้องอะไรหลายๆอย่างเพราะเราอยากสบายเราก็ให้คนอื่นยอมดีกว่า <laughs> ใหค้คนอื่นเขาแก้ดีกว่าเพราะว่า มันง่ายเราดีเออมันง่ายเราดีเพราะโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารยมาถึงบอกมีกรณีเดียวเท่านั้นอ่ะคือคนอื่นเขาดีเหนือกว่าเราจริงๆถ้าอย่างนี้แหละคนอื่นแก้ได้ง่ายกว่าเราถ้าไปเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมาน่ะถ้ามาอย่างนั้นแล้วคนเราเนี่ยมันหลงตัวเองมันเชื่อมั่นตัวเองแล้วมันก็ติดสุขติดสบายของตัวเองเพราะนั้นมันไม่ยอมเพราะการแก้เนี่ยมันมันต้องฝืนใจ มันต้องขัดใจต้องบังคับใจเพราะฉะนั้นมันเรื่องอะไรล่ะแล้วเราอยากจะมาให้เราทุกข์อ่ะง้อให้คนอื่นทุกข์ดีกว่าพราว่าคนมันรักสุขอ่ะมันเกลียดทุกข์อ่ะวันนี่แหละที่มันแก้ไขตัวเราเองมันจะยากก็ตรงนี้อ่ะตรงมันไม่อยากที่จะต้องไปเจอความลําบากเจออะไรนะซึ่งอันเนี้ยเราเองเราก็จะรู้ว่าเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแก้ไขตัวเราเองเนี่ยมันน่าจะ ง่ายกว่าที่จริงแล้วนะมันน่าจะง่ายกว่าไปแก้คนอื่นแต่ที่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าไม่อยากฝืนใจตัวเราไม่อยากให้ตัวเราต้องทุกข์เพราะนั้นมันเลยรู้สึกเป็นว่ามันยากเลยรู้สึกเป็นยากแต่ในขณะเดียวกันเราลองคิดดูสิเออเราเข้าใจสภาวะนี้แหละ ว, ว่าใช่เราเองเรายังไม่อยากทุกข์เลยใช่ไหม ตัวเราเองเรายังอยากจะมีความสุขเลยเรายังไม่อยากทุกข์เลยแล้วเวลาเราจะไปแก้คนอื่นเขาเนี่ยคุณคิดว่าคนอื่นเขาอยากทุกข์หรือว่าเขาอยากมีความสุขนฮะเขาก็อยากมีความสุขเหมือนกันเขาก็ไม่อยากทุกข์เพราะเราจะไปแก้เขาเนี่ยมันง่ายหรือเปล่าอะมันยากเพราะฉะนั้นคุณดูเอาสิเพราะนั้นโอ้โหเรายังอยากสุขเลยแล้วทําไมเขาไม่อยากสุขเรายังขี้เกียจจะแก้นิสัยเราเลยแล้วคนอื่นจะเขาจะไปขยันแก้นิสัยเขาเหรอถึงบอกมีกรณีเดียวเท่านั้คือไอ้คนนั้นมัน มันดีเหนือเรามันถึงอยากขยายแก่แต่ถ้าไม่ดีเหนือเรามันก็ขี้เกียจแก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่สุดก็คือไอ้นั่นมันก็ไม่ยอมแก้เพราะฉะนั้นเมื่อไอคนนั้นมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่ยอมแก้กับเราเองเราก็ไม่อยากทุกข์แล้วเราก็ไม่ยอมแก้แต่ใครรู้จักใครใครรู้จักเราเนี่ยดีกว่ากันเนี่ยก็ตัวเรารู้จักตัวเราดีกว่าเพราะฉะนั้นในที่สุดเราแก้ไขตัวเราเองง่ายกว่าแก้ไขคนนู้น เพาไอ้คนรู้นเราไม่ค่อยรู้จักมันดีเท่ากับรู้จักตัวเราหรอกถูกไหมงงมางไหมเนี่ยเ อ, อไม่งงก็แล้วไป <c oughs> นะเนี่ยแหละมันถึงจะในที่สุดเราถึงจะรู้ว่าอ๋อที่เราแก้ตัวเราเองมันง่ายกว่าตรงนี้นี่เองส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความเลวของของคนพาลมักจะบังคับให้คนอื่นแก้ไขก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องแก้ไขหรือ ค่อยแก้ไขทีหลังเพราะคิดว่าสบายกว่ากันเยอะนี่เป็นความหลงผิดซึ่งที่จริงแล้วการที่คนอื่นได้แก้ไขก่อนเขาก็ย่อมจะพัฒนาดีจเจริญขึ้นได้ก่อนส่วนตัวเราเองก็จะเร็วต่ำกว่าล้าหลังกว่าเขามากนักมันเนี่ยคิดให้ถูกต้องเนี่ยเอ้าเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลส ม, มุ่ิว่าพอกันนะสูสีนะยังไงเราก็ควรที่จะแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนดีกว่า เพราะว่าใครแก้ไขก่อนได้คนนั้นจเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นถ้าเราไปคิดอยู่แต่มุมให้เขาแก้ก่อนสิถ้า้องแก้ก่อนแล้วเราถึงจะแก้ตามอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนน้องเขานะเขาจะเป็นพี่เราเพราะเขาจเจริญพัฒนาก่อนนี่เขาเป็นพี่เราเราจเจริญตามหลังเขาเราเป็นน้องเขาในทางธรรมะนะเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก็มี ศาสนาอิสลามเนี่ยพระอัลเลาะห์ท่านก็มีพูดถึงว่าถึงแม้จำนวนมากมายแห่งสิ่งชั่วช้านั้นจะทำให้เจ้าเกิดความชื่นชมก็ตามแต่สิ่งชั่วช้ากับสิ่งดีงามจะเท่าเทียมกันกันนั้นหรือเป็นเหมือนกับคำถามนะพระอัลเลาะห์เนี่ยท่านถามผู้ที่อยู่ในศาสนาอิสลามนั่นก็ถามว่าความดีกับความชั่วเนี่ย มันเท่าเทียมกันไหมมันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันมีอำนาจมันมีพลังอะไรเนี่ยคุณว่าเท่าเทียมกันไหมความดีกับความช่วงะหมายถึงว่าแมันมีพลังสมมติว่ามันมีพลังหรือว่ามันมี power เนี่ยมีอำนาจเนี่ยคุณว่าเท่าเทียมกันไหมหรืออะไรมีมากกว่ากันอ้าวใครว่าความช่่งมีกำลังมากกว่ายกมือขึ้น 1,2,3,4,5 สสี่ห้าหใครว่าความดีมีพลังมากกว่าขอยกมือขึ้นโอ้โหเยอะกว่านะประมาณสักห7เจคนใครว่าทัดเทียมกันระหว่างความดีกับความชั่วพวกนี้แทงกั๊กมีสองคนมีอยู่สองคนอ้ออ๋อแล้วแต่การาเทศะหรอแล้วโอ้มีอย่างนี้อีกเนาะแล้วแต่เวลาแหม อ่าไม่ได้สิเราต้องพูดแบบเปรียบเทียบสิเออพูดแบบรวมๆสิเล่นพูดเล่นพูดบอกแล้วแต่เวลาอารมณ์ดีกับความดีชนะอารมณ์ไม่ดีกับความชั่วชนะแหมอย่างนี้ก็วัดจะไม่ได้เลยได้อย่างเนี้อ่าอาตมาให้แง่คิด <c oughs> นะแล้วเดี๋ยวคุณคุณตัดสินเอาเองว่าอะไรจะเหนือกว่ากัน <c oughs> อ่อาตมาให้แง่คิด <c oughs> ก็แปลกนะอาตมาก็ไม่รู้ทําไมนะเออมันมันก็ขึ้นมาในสมองเองอนะ ซึ่งรู้สึกมานานแล้วเรื่องนี้บางทีก็เคยพูดให้พวกเราฟังอาตมา ถ, ถามคุณเนะ่จริงๆแล้วเนี่ยคุณว่าความดีกับความชั่วเนี่ยนะคุณว่าอะไรที่มากกว่ากันฮะความดีกับความชั่วเอาคนดีดีกว่าเอาคนดีกับคนชั่วคุณว่าอะไรมากกว่ากันฮะใครว่าคนดีมากกว่ายกมือ หนึ่งสองสามสี่ประมาณสักสี่ห้าคนใครว่าคนชั่วมากกว่ายกมือเพวกนี้ลืมพระพุทธพจน์แล้วพูะ <c oughs> เจ้ามีตรัสรายไงที่พูดถึงเปรียบเหมือนกับคนที่ทำดีปฏิบัติดีเนี่ยเหมือนกับอะไร <c oughs> เออเหมือนกับเขาโค <c oughs> แค่สองเขาเองนะแต่คนชั่วเป็นไง <c oughs> เหมือนกับขนวัวทั้งตัวอันนี้ถามว่าใครมากกว่ากัน <c oughs> คนชั่วมากกว่าคนดี แต่คุณดูนะเพราะถ้าคุณว่าคนชั่วมากกว่าคนดีเนี่ยคุณว่าตอนนี้น่ะคำตอบของคุณเนี่ยฝ่ายไหนน่าจะมีกําลังมากกว่ากันอ่าคุณว่าความชั่วน่าจะมีกําลังมากกว่าใช่ไหมอ่าคุณคิดไหมนะคําตอบคุณได้หนึ่งคำตอบแล้วนะว่าคนชั่วน่าจะน่าจะเหนือกว่าเอาละตอนนี้อาจจะมาบอกคุณว่าในขณะที่คนชั่วมากกว่าเนี่ยแล้วก็คนดีน้อยกว่าใช่มแต่ในขณะที่คนดีน้อยกว่าเนี่ย คุณว่ายังมีคนดีอยู่ไหมมีอยู่ตลอดใช่ไหมทุกยุคทุกสมัยส่วนใหญ่ก็ยังมีคนดีเหลืออยู่จะโดนฆ่าแกงจะโดนยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีคนดีอยู่นี่จะมาถามคุณคนดีที่จำนวนน้อยเนี่ยแล้วยังอยู่ท่ามกลางคนชั่วจานวนมากได้เนี่ยแล้วคุณก็ยังรักษาตัวรอดได้คุณก็ยังดีของคุณอยู่ได้แสดงว่าความชั่วเหล่านั้นเนี่ยทอันตรายหรือว่าทำร้าย คนดีนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้ก็คนชั่วคุณบอกว่าเยอะกว่าใช่ไหมอ่ะแล้วคุณบอกว่าคนดีสมมติคนดีเหลืออยู่คนเดียวอ่ะนะแสดงว่าถ้าเทียบคนต่อคนเนี่ยคุณว่ากำลังใครมากกว่าคนดีแสดงว่าคนดีมีมีพลังมากกว่าใช่ไหมจนกระทั่งเรียกว่าคนชั่วเยอะยังไงนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายคนดีให้หมดโลกได้ถูกไหม พาคนดีแต่ละคนที่ก็เรียกกระลาชอยู่ตามประเทศต่างๆหรือตามจุดต่างๆในโลกนี้แสดงว่าโอ้โหคนดีคนหนึ่งคนนึงเนี่ยจริงๆแล้วมีพ w e r หรือว่ามีกำลังที่ต้านกับคนชั่วได้หนึ่งคนต่อโอ้โหอาจจะไม่รู้คนชั่วตั้งตั้งกี่สิบกี่ร้อยหรือกี่พันถ้าเทียบอัรตราส่วนนะแล้วคุณก็ยังดีอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าความดีนี้ต้องมีพลังสูงมากทีเดียวถูกม เนี่ยเพราะันครนี้อาจจะมาถามคุณใหม่นะคุณว่ากําลังของความดีกับความชื่วเนี่ยคุณว่าอะไรเหนือกว่ากั น, นอา้าวพวกคุณนี่โลเลฮะแล้วกี้นี่ก็บอกว่าความชื่อคราวนี้ก็มาบอกว่าความดีอา้าวล่าอะไรมันแน่อะ๋ อ, อ น, นี้ยืนยันเสมอกันเหรอ เอากระทู่ก็สิอ่าๆๆเข้าใจอันนี้ก็บอกว่าถ้าทําดีก็ดีใจลึก ส, สุดทําชั่วก็ใจลึก ส, สุดเอนะั้นนั้นมันก็ถูกก็สินะก็ถูกต้องออันนี้ที่ต้องเล่าไปถึงโบราณการตั้งแต่ยังไม่เกิดมนุษย์ขึ้นมาในโลกแต่เดิมเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสภาวะของจิตวิญญาณ น, นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่พุทธเจ้าท่านเล่าไว้ เป็นสภาวะที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นสภาวะของจิตปัญญาซึ่งคนทุกวันนี้ถึงถึงเช่าเอาเนี่ยมาอ้างเป็นจิตแบบบริสุทธิ์เป็นจิตแบบพระพัฒสอเป็นจิตแบบบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ก็ไม่รู้น้าวิญญาณมาจากไหนก็ไม่รู้ก็อยู่ดีๆก็มีวิญญาณแล้วละ่ะแต่ยังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนนะ้เป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดโปร่งใสไม่มีกิเลสอะไรอันนี้ตามประวัติในพระไตรปิฎก เสร็จแล้วต่อมาเอค่อยๆเกิดกิเลสขึ้นนะยิ่งไปถึงยุคที่ไปเจอเขาใช้ว่างวดินนะเสร็จแล้วต่หลังก็เลยเอ๊อยากจะชิมอยากจะลองเกิดเกิดกิเลสแต่อยากจะชิมอยากจะลองในที่สุดก็ได้ชิมได้ลองแล้วโอ้รสชาติมันดีแมสมมุติว่าหอมกรอบมันอร่อยอะไรอย่างงี้นะพอชิมก็ไปแล้วโอ้กิเลสก็เลยยิ่งชอบก็เลยยิ่งกินอย่าง ครนี้ก็เลยในที่สุดพอกินวัตถุที่มันมีสรีละมันมีรูปร่างมันมีตัวตนเป็นแรล่ธาตุเป็นอะไรขึ้นมาแล้วคนก็เลยกลายเป็นมีรูปร่างขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยแหละวะันถ้าตามตามประวัติพวกเนี้นะจริงๆแล้วคนถือว่าดีมาก่อนบริสุทธิ์มาก่อนเสร็จแล้วก็มาเกิดกิเลสโดนยั่วย้อมเอา จนกระทั่งคราวนี้ ต, Allah, archae? ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรืああ not not ่อยๆกิเลสไม่ลดลงฮะมันมีแต่จะหนักข้อจากแต่เดิมเนี่ยพอมีร่างกายพอมีร่างกายเสร็จคราวนี้ต่อไปก็เอามีผู้ชายผู้หญิงมีผู้ชายผู้หญิงอ่ะมีสมสู่มีออกลูกออกหลายคือกิเลสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิเลสแทบไม่ลดลงเลยหนักข้อกันเรื่อยๆหนักข้อกันเรื่อยๆจนในที่สุดก็เนี่ยเยจนมาถึงคนเราทุกวันนี้ ก็เลยจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นให้ว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเรามาเพื่อมาลดกิเลสถูกไหมอ่าเรากำลังจะถอยไปถอยไปถอยย้อนไปเรื่อยๆถอยย้อนไปเรื่อยๆนะกินอะไรอร่อยไม่อร่อยก็ก็พยายามตัดกิเลสออกตัดกิเลสออก mm hmm. เพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันบริสุทธิ์มากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นกินทุกวันนี้ถ้าเราฝึกฝนเนี่ย ก็กินเพื่อที่จะมาเลี้ยงกายขันให้มันอยู่รอดเท่านั้นเองแต่ในทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็คือลดกิเลสเราลดกิเลสเราให้จิตเราเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นโดยกิเลสทั้งปวงไม่รู้แหละจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามงดพยายามเว้นพยายามงดพยายามเว้นอะไรที่ดีทั้งปวงก็พยายามทําทำทำทำเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปให้จิตวิญญาณเนี่ยมันบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนนั่นแหละ ถ้าเราถึงขั้นพระอรหรันต์คราวนี้ก็กลายเป็นจิตดีที่สุดก็เหมือนกับกลับคืนและกลับคืนสภาพแล้วพระอรหันต์เนี่ยบอกแล้วท่านิพพานหรือปรินิพพานถ้าตายไปแล้วเนี่ยถูกไหมถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะไม่กลับมาเกิดมีรูปร่างมีตัวตนอีกใช่ไหมคือสามารถสั่งจิตวิญ ญ, ญาณบังคับจิตวิญ ญ, ญาณที่จะไม่ไม่กลับมารวมตัวกันมามีรูปร่างเป็นตัวตนบุคคลอะไรอีก มันก็คือคืนไปสู่สภาพดั้งเดิมที่ยังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแล้วจะบริสุทธิ์ปองสใยอยู่เป็นพลังงานเป็นอะไรอยู่ในอากาศส า, า, าตวอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ไม่มีกิเลสอะไรที่จะมาทําให้ไอสารพลังงานพวกนี้มารวมตัวกันเพื่อที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลอะไรอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถ้าเอาตามประวัตินะดั้งเดิมเนี่ยจิตก็น่าที่จะบริสุทธิ์ถ้าดั้งเดิมมาจิตไม่บริสุทธิ์เราเนี่ยสะสมกิเลส ก, ก, กี่ร้อยกี่พันชาติโอ้โหจะทําให้มันไปบริสุทธิ์นี่มันคงไม่ง่ายเลยนะนคงจะยากมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าถึงที่สุดของความบริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ในเมื่อเรามารู้ภายหลังว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเราปรินิพานเราไม่กลับมาเกิดอีกได้ไม่ต้องมีตัวตนร่างกายนี้ได้นะเราก็พอที่จะเห็นวงจรเห็นวงจรที่ย้อนกลับไปแล้วเออมันไปบริสุทธิ์อย่างนั้นได้ซึ่งไม่ต้องเกิดด้วย <c oughs> นะถ้าอันนี้เราก็น่าที่จะเชื่อได้ว่าคนเราน่าจะมีดีมาก่อน วันดีเนี่ยจริงๆแล้วมีสะสมมาก่อนแล้วมีดีมาก่อนต่อเมื่อเนี่ยเรามาค่อยๆเกิดกิเลสแล้วก็สะสมมันจริงๆแล้วความชั่วนี่มาที่หลังความเร็วนี่มาที่หลังเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆสะสมมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งความดีของเราเนี่ยมันก็ค่อยหายไปหายห า, ยหายจนโอ้โหกิเลสนี่กองบเริ่มเทมจนเราเนี่ยแทบจะทุกวันนี้นะถ้าจะพูดกันแล้วอะแทบจะพูดว่าคนเรามรรหาดีได้ยาก อส่วนใหญ่เลวเพราะว่ากิเลสหนามากๆเลยเพราะเด็กตั้งแต่เกิดมากลายไปอะไรแล้วตอนนี้เด็กตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกิเลสมาอื้อเลยอะ่ะจนจนบางทีพ่อท่านใช้คําหนักๆเลยว่าอะไรพวกไหนมาเกิดโอ้พวกโอ้โหพ่อท่านใช้คำหนักๆแรงๆบอกโอ้พวกสัตว์นโลกมาเกิดแล้วว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เลยเพราะมันมันกลายไปมันสะสมพวกนี้มามากเพราะเนี่ย อารมณ์ความรุนแรงการที่จะฆ่าแกงกันการที่จะอะไรต่างๆอูย้ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างความดีความชั่วมันไม่เท่าเทียมกันหรอกไม่มีทางเท่ากันมันเหมือนกับน้ำกับไฟคุณจะมาบอกว่ามันเท่ากันคื อ, คอเอาเอามาผสมกันมันผสมไม่ได้แต่อะไรเหนือกับกันนี่ที่จริงแล้วความดีมันต้องเหนือกว่า ที่ถูกต้องและความดีต้องเหนือกว่าเพราะจากที่เล่ า, ลามาความดีมันต้องมาก่อนวันสำนวนเราถึงใช้ว่าธรรมะชนะอาธรรมเนะ่เราใช้สำนวนนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่มีธรรมะแล้วคุณก็ <c oughs> ไม่ฝึกฝนไม่อะไรมาแล้วเนี่ยโอ้คุณไม่มีทางหรอกชนะอธรรมไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะกำลังมันน้อยนิดนิดเดียวเองนะอันนี้เพราะนอันนี้ฝากไว้เป็นแง่คิด ก็ไม่ง่ายอะนะไม่ง่ายนะแต่ที่พูดไปนี่คิดว่าคงพอสรุปได้ว่าอะไรอะไรน่าจะมีกําลังที่เหนือกว่ากันความดีย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าความชั่วแน่แท้แม้ความชั่วจะมีดาราดหลากหลายก็ตามเพราะผู้ที่แก้ไขปัญหาชีวิตของตนด้วยระบบของธรรมะนั้นย่อมจะมีจิตใจที่ดีงามกว่าเย็นกว่าสงบกว่า พ่อจะต้องฝึกหัดลดละความโกรธความโลภความหลงผิดของตนลงไปเรื่อยๆเสมอเสมอส่วนคนที่ไร้ธรรมะในหัวใจมักจะแก้ปัญหาไปตามอารมณ์ความอยากของตนความโกรธ อ, อยากโกรธก็โกรธอยากด่าก็ดา่าอยากตบตีก็ตบตีอยากทําอะไรก็ตามใจตัวซึ่งรังแต่จะพอกเพิ่มกิเลสโลภโกรธหลงสะสมใส่ตน มากขึ้นยิ่งนางวันนานปีก็จะยิ่งระงับอารมณ์ยากหรือบังคับควบคุมใจอยากเอาไว้ไม่ได้จึงต้องพบทุกข์อยู่บ่อยๆจะมีศัตรูในหัวใจมากมายน่าสงสารนักคนผู้เป็นศัตรูกันในโลกย่อมปรารถนาว่าขอให้ผู้เป็นศัตรูนอนเป็นทุกข์เพราะคนผู้เป็นศัตรูกัน ย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูอยู่สบายคนผู้โกรธนี้ถูกความโกรธครอบงำย่ํายีแล้วแม้จะนอนบนบันลังอันปูลาดด้วยผ้าขนสัตว์ปูลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนนุ่มมีหมอนหนุนศีรษะและเท้าก็ตามแต่เมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์อันนี้ของพระพุทธเจา้าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่สะสมอารมณ์ความรุนแรงเนี่ยต่อให้คุณนอนหลับอย่างที่บอก คุณว่าคุณไม่รู้ตัวนะคุณนอนหลับแต่จริงๆภายในเนี่ยถ้ามันสั่งสมความรุนแรงไว้มันก็จะงงงงคิดนะแล้วยิ่งถ้าเกิดมีสติรู้ตัวขึ้นมานะคุณสามารถจับอารมณ์ความคิดได้คุณจะรู้เลยว่าทุกเพราะบางทีเนี่ยบางคนนอนหลับมันยังฝันเลยใช่ไหมฝันไปเนี่ยโอ้โหไปตบเขาไปตีเขาไปเล่นงานเขาไปอะไรอุตรุดเลยน่นแหละมันมีความสุขที่ไหนคนฝันโอ้โหขนาดนะฝันแล้วคุณจะไม่รุนแรงเลยในฝันนะ โอ้โหไปยิงไปฆ่าไปอะไรต่ออะไรมันมันมีความสุขที่ไหนไอ้ตื่นตื่นก็ทุกอยู่แล้วนะเพราะมันมันมันได้พบได้เห็นหรือว่าได้คิดได้ทํามันก็ทุกอยู่แล้วแต่ตอนหลับเนี่ยเออไม่รู้ตัวก็ยังพอสบายหน่อยนี่ยังถ้ารู้ตัวอีกว่าว่าโอ้โหนี่มันโอ้โหมันตามเล่นงานเราอยู่แล้วเนี่ยในความคิดตอนหลับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนั้นน่ยกลางวันก็ทุกกลางคืนก็ทุกการที่คนเราพยายามลดความขี้โกรธ โลภและความหลงผิดเป็นาเป็นการสร้างความดีที่เราเรียกว่าบุญบุญจึงหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันนี้เองไม่ต้องเสาะแสวงหาไกลไม่ต้องจ่ายเงินซื้ออีกด้วยเพียงแต่ลดความโกรธต่อคนที่เราเกลียดชังลงเสียบ้างลดความโลภเอาแต่ใจตัวเองต่อคนที่เรารักลงเสียบ้างลดการลุ่มหลงติดอบมุกอย่างเมามันลงเสียบ้างลดไปบ่อยๆวันละนิดก็ได้ กิเล ก, ก็คงเบาบางลงไม่มากก็น้อยหรือมุ่งมั่นทําได้เช่นนี้รอบข้างคนรักก็จะเพิ่มขึ้นศัตรูย่อมจะลดน้อยลงช่างหน้าเป็นสุขเหลือเกินบุญก็ได้เยอะอีกด้วยนมีของศาสนาคิดเขากล่าวว่ารักผู้ที่รักท่านจะได้บุญอะไรแม้คนชั่วก็รักผู้ที่รักเขาเช่นกันอธมาชอบมากเลยประโยคเนี้ ของาศาสนากรีกเขาที่เขาบอกว่ารักคนที่รักเราเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นมิตรสหายเป็นใครก็แด้แต่รักคนที่รักเราเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันจะไปได้บุญอะไรกันนกันหน า, นาแต่เราเนี่ยรักคนที่เราเกลียดนี่สิอันนี้สิแม่มันน่าจะเป็นบุญที่มากกว่านะนี่นีี่ตีความจากคําพูดของเขาเอคําพูดของเขาเนี่รักผู้ที่รักท่านจะได้บุญอะไร แม่คนชั่วก็รักผู้ที่รักเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บุญอะไรนะคนไหนที่เรารักเราชอบอยู่แล้วเราก็ไปทําดีใส่เขาอยู่เนี่ยนะโดยโดยที่หมายหมายถึงว่าว่าจริงๆต่อให้ไอันนั้นเราก็ทําอยู่แล้วแต่ไอ้ที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้คือคนที่เราไม่ชอบใจคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดอยู่เนี่ยเห็นหนะ้าแล้วก็อยากจะดา่าอยากจะว่าอยากจะไปทําร้ายเขาแต่ โอ้โห oh, oh, เราพยายามบังคับจิต <c oughs> บังคับใจเราเอาเอ า, เอาให้เมตตาเขาให้อภัยเขาช่วยเหลือเขาอะไรต่า ง, างนี่สิถึงจะเรียกว่าบุญจริงเพราะคำว่าบุญแปลว่าอะไรแปลเป็นไทยคำว่าบุญแปลเป็นไทยเอนานะแปลว่าการชาระกิเลสวันอันนี้สิถึงจะเรียกว่าชำระกิเลสราะรักกอนที่ที่เรารักอยู่แล้วอ่ะมันจะไปชาระกิเลสอะไร เรารักคนที่เราเกลียดดิสิถึงจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นการชําระกิเลสแต่เรายิ่งไปรักคนที่เรารักอยู่แล้วถ้าจะว่ากันไปไปไงเอออาจจะเพิ่มกิเลสก็ได้นะถ้ารักไม่เป็นรักไม่ดียิ่งเพิ่มกิเลสของเราแต่ตรงข้ามเลยนะถ้าเรารักคนที่เราเกลียดเออกลับเป็นการลดกิเลสเราแฮะกลับเป็นบุญของเราแฮะเออมันตรงข้ามเลยใช่ไหมวันเนี่ยฝึกให้ได้ทําให้ได้คอยเตือนตัวเราแล้วก็พยายามฝึก โจรย่อมรักชื่นชอบผู้ที่สนับสนุนโจรแต่เราเองไม่ควรรักชอบใจอย่างโจรเลยถูกไมเออก็โจรมันก็รักโจรเช่นกันนี่มันจะได้ไปจี้ไปป้นด้วยกันแต่เรานี่เราควรรักอย่างางั้นไหมไม่ควรเนะ่เพราะเราก็เคยรักแต่คนที่ชอบเราหรือคนที่เราชอบมานักต่อนักแล้วและก็โกรธเกลียด ต, ต่อคนที่เราไม่ชอบที่หน้ามาก็แย่ รักอย่างตามใจตัวเองไม่เอาเหตุผลไม่สนใจความถูกต้องผลที่ตามมาก็คือในครอบครัวในสังคมนั้นย่อมเกิดความลำเอียงเล่นพักเล่นพวกขาดความยุติธรรมเกิดการขัดแย้งกลั่นแกล้งปัดแข้งปัดขาทะเลาะวิวาดก้าวร้าวก่อความรุนแรงแก่คนที่เกียรติชังกันสังคมจะแตกแยกขาดความสามัคคีปองดองนับวัน ก็จะเสื่อมซามลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนเราฝึกหัดพยายามรักคนที่เราไม่ชอบดูบ้างเข้าไปหาเขาอย่างสุภาพยิ้มแย้มอย่างมีมิตรีหากมีของกินของใช้ก็แบ่งปันให้เขาบ้างอดออมถนอนน้ำใจให้เสมอภาคเพียงกระทำอยู่อย่างนี้แม้เขายังเข้ากับเราไม่ได้แต่ใจเรานี่แหละที่จะเข้ากับเขาได้ดวงใจของเราจะไล่เขาเป็นศัตรูแม้ต่อให้เขายังคิดว่า เราเป็นศัตรูของเขาอยู่ก็ตามคือคนเราเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่บางทีพอเราไปทําแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังโกรธเราอยู่อ่ะเขายังเกลียดเราอยู่พอเราไปทําดีกับเขาปับป๊บปรากฏว่าเราเจอภาษานี้เราก็อุ้ยมันยังเป็นศัตรูเราอยู่มันยังไม่ไม่ยอมรับเพราะเราจะเลิกเนี่ยโดยที่อันเนี้ยคนเนี่ยลืมมองผลประโยชน์ผลบุญของตัวเองที่ยริงเราทําดีกับเขาเนี่ยเราได้ดีเราทําดีกับเขานี่เราได้บุญกุศล แล้วเรายิ่งเห็นบุญว่าเรากาลังจะมาล้างชำระไอ้ความเกลียดของเราที่เรามีในใจ น, นที่เราเกลียดชังเขาเราเคยถือว่าเขาเป็นศัตรูของเราแต่ตอนนี้เราพยายามล้างตัวนี้ต่อให้เขายังโกรธเราอยู่นะเขายังเกลียดเราอยู่เขายังคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราอยู่แต่พอเราทำดีกับเขาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม เราล้างจิตของเราเองที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูเราเนี่ยอันนี้เราล้างลงไม่ได้วันนิดวันหน่อยเราล้างลงไม่ได้ละเพราะในที่สุดเนี่ยใจเราเนี่ยจะหมดความโกรธหมดความเกลียดชังคนนั้นเป็นศัตรูต่อให้เขายังถือว่าเราเป็นศัตรูก็ตามแต่เราเนี่ยใจของเราเองใจเราหมดความเป็นศัตรูกับเขามันตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญไม่ได้หมายความว่าพอเราไปทําแล้วบางทีโอ้โหกลับใจคนอื่นได้หมดเลยนะเขาก็กลายเป็นเลิกเป็นศัตรูเราหมดเลย อันนั้นมันยากบางทีก็บางคนแล้วก็ทําได้บางคนแล้วก็ทําไม่ได้แต่ที่เราทําได้แน่แน่คือใจเราเพราะเราพยายามทําดีเข้าทําดีเข้าทําดีเข้าในที่สุดใจเรานี่แหละที่จะหมดความเป็นศัตรูกับใครๆไปหมดเพราะเราไม่มีใครเป็นศัตรูอยู่ในใจเราแต่ส่วนคนอื่นก็จะมีเราเป็นศัตรูอยู่ในใจเขาอันนั้นมันใจคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่ใจเรา เพรเราไม่มีใครเป็นศัตรูใจเราสบายก่อนแล้วส่วนเขายังมีความโกรธเกลียดชังใครเขาก็ทุกข์ของเขาไพี่ เ, ออเพียงเท่านี้ดวงใจน้อยๆของเราก็เป็นที่สติดอยู่ของความสุขอันสงบได้แล้วอย่างแท้จริงทําศัตรูของท่านให้กลายเป็นมิตรอย่าทํามิตรของท่านให้กลายเป็นศัตรู น, นีนี่เป็นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงศัตรูใช่ไหมคราวนี้เรากำลังพูดถึงมิตรนะถ้าเราทำศัตรูเนี่ยนะให้มาเป็นมิตรเราได้โอ้เจ๋วเลยใช่ไหมอันนี้เราพยายามอยู่แล้วเราต้องทำแต่ระวังอีกมุมหนึ่งก็คืออย่าทำมิตรของเราเนี่ยแหละให้กลายเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นบางทีนี่หลายคนเลยชอบทำมิตรให้กลายเป็นศัตรูโดยที่บางทีเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะ หบางทีพูดมากไป ม, มองหน้าคน <c oughs> นะอาจจะทําให้มิตรเป็นศัตรูก็ได้นะหรือบางทีพูดไม่รู้กาลเทศะเออไม่ดูความเหมาะสมว่าเวลานี้ควรพูดไม่ควรพูดบางทีทําให้มิตรกลายเป็นศัตรูหรือพูดอะไรไปที่โดยคิดว่าจะแซวเล่นคิดว่าจะจะอะไรอะ่ะหยอกเลาะแต่มันไม่เข้าทีไม่เข้าท่ามันมันไปพูดจุด อ่อนไปพูดจุดจุดปมด้อยเขาไปพูดอะไรเงี้ยปากรว่าพูดไปแล้วอ้าวมิตรกลายเป็นศัตรูอีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องระวังด้วยนะถ้าพวกเราระวังอย่างนี้ได้เนี่ยธรรมมาคิดว่านะเราเองเราก็จะไม่มีใครเป็นศัตรูในใจเราแล้วพอใครเกิดมาเป็นศัตรูกับเราเราก็จะแก้ไขให้คนนั้นเลิกเป็นศัตรูกับเราแล้วก็มาเป็นมิตรของเราได้ นะเอาวันนี้คงฝากไป้แค่นี้นะ